ในโลกนี้มีสมบัติอยู่สองชนิดด้วยกันคือสมบัติภายในกับสมบัติภายนอกสมบัติภายนอกนี้เป็นสมบัติคู่กับโลกนี้เป็นของโลกนี้เวลาร่างกายตายไปเราเอาสมบัติภายนอกไปไม่ได้สมบัติชนิดที่สองคือสมบัติภายใน สมบัติภายในนี้เป็นสมบัติของใจที่ใจเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพราะใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายตายไป <c oughs> แต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจมีสมบัติภายในใจก็เอาสมบัติภายในติดตัวไปได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราฉลาดให้เอาของที่เราเอาไปได้เอาของที่เป็นของเราของที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่าไปเอามาเอามาเท่าที่จําเป็นเอามาพอเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ไป ว, วันวันหนึ่งก็พอมากกว่านั้นตายไปก็เอาไปไม่ได้เหนื่อยไปเปล่า หาเงินกันแทบเป็นแทบตายได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านตายไปเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวใช้ได้ก็เฉพาะในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นและจะใช้ได้ที่เป็นประโยชน์ก็ใช้กับร่างกายเท่านั้นเองถ้าไปใช้กับความอยากก็เป็นโทษกับจิตใจเสี่เองดังนั้นทรัพย์ภายนอกนี้ ถือว่าเป็นเป็นภัยต่อจิตใจถ้าไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีของทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ให้ลำบากลําบน <c oughs> แล้วก็เพื่อที่จะได้เอาร่างกายมา หาทรัพย์ภายในอันนี้คือหน้าที่ของทรัพย์ภายนอกมีไว้เพื่อสนับสนุนการหาทรัพย์ภายในไม่ได้มีไว้เพื่ อ, อะสะสมให้มันมีจำนวนมากมายก่ายกองมันก็เป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นเองแบบดูในสมุดบัญชีธนาคารโนตอนนี้มีตัวเลขหกตัวตอนนี้มีเจ็ดตัว มันก็แค่ตัวเลข <c oughs> มันจะไปทำอะไรได้เอาไปกินได้หมดที่ไหนมันก็กินได้เท่าที่กินวันหนึ่งก็มื้อสองมื้อก็เหลือกินอยู่แล้วเอาเวลาหาทรัพย์ภายนอกมาหาทรัพย์ภายในดีกว่าพอทรัพย์ภายในนี้เป็นของใจใจเอาติดตัวไปได้ รับภายนอกเป็นของโลกนี้ของดินน้ำลมไฟรับภายนอกนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปจะสร้างตึกสูงขนาดไหนเดี๋ยวไม่กี่สิบปีมันก็ถล่มลงมาเดี๋ยวมันก็กลายเป็นซากเป่าหลังหักพังไป ของทุกอย่างในโลกนี้ก็ดูประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีร่องรอยของประวัติศาสตร์มาสอนพวกเราให้เห็นอยู่แล้วว่าสมบัติภายนอกเป็นยังไงสร้างกันมหัสจรัก์ขนาดไหนน้ามันกลายเป็นอะไรไปก็กลายเป็นซากปร่าขลักพังไปเนะนาะอาณาจักรต่างๆยิ่งใหญ่ไพศาลอาณาจักรโรมันอาณาจักรกรีกอาณาจักร จีนนานจากอะไรทั้งหลายสร้างสมบัติกันมากมายก่ายกองแล้วแม้่นานก็ถูกเวลาทำลายไปหมดเวลากลืนกินสรรพสิ่งสรรทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเหมือนงูยักษ์งูยักษ์ที่ค่อยๆขมอบเหยื่ อ, อไปวันละ น, นิดวันละหน่อย เดี๋ยวไม่นานเหยื่อนั่นก็หายเข้าไปในท้องงู<ม>ของต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะวิเศษขนาดไหนมหาสรรจ์ขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นสร้างพลังหักพังไป<ม>อยู่กับคู่อยู่คู่กับโลกนี้เอาไปไม่ได้ คนที่ตายไปเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปไม่ได้สิ่งที่จะเอาไปได้คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้ก็มีตั้งแต่ระดับมนุษย์มนุษย์มนุษยสทรัพย์เทวาทรัพย์พรหมทรัพย์อริยทรัพย์นี่คือทรัพย์ที่ เป็นของใจและใจสามารถเอาติดตัวไปได้ซู่มาสร้างทรัพย์เหล่านี้กันดีกว่าเพราะมีทรัพย์เหล่านี้แล้วไปแล้วสบายไปแล้วไม่ทุกข์ไม่ยากไม่เดือดร้อนไม่ลำบากถ้าไม่สร้างรัพย์เหล่านี้ขึ้นมามัวแต่ไปสร้างรัพย์ภายนอก เวลาไปจะไม่มีทรัพย์อะไรติดตัวไปนอกจากไม่มีทรัพย์แล้วอาจจะมีหนี้ติดตัวไปด้วย <yeah. S 1> เพราะถ้าระหว่างที่หาทรัพย์ภายนอกอยู่นั้น<ม>หาด้วยวิธีทําบาปก <yeah. S 1> ็จะกลายเป็นก่อสร้างหนี้ขึ้นมาให้ใจจะต้องไปชดใช้หนี mm. ้ก็คือไปติดคุกติดตารางในอบาย yeah. อาบายนี้เหมือนคุกตรางของใจสำหรับผู้ที่ทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ทา ม, มาหากินอยากจะรวยเร็วๆรวยง่ายๆรวยมากๆไม่มีอะไรแนะ่จะง่ายกว่าวิธีโกงวิธีช่อโกงวิธีคอร์รัปชันวิธีลักทรัพย์ของผู้อื่น แต่ไม่รู้ว่ากำลังสร้างนี่ทางใจให้กับใจไม่รู้ว่าตายแปนี้จะต้องไปติดคุกติดตารางของใจต่อไปเพราะมองไม่เห็นใจพวกที่ทำบาป พ, พวกที่มุ่งไปสู่การหาทรัพย์ภายนอกนี้จะไม่เห็นใจจะไม่เห็นทรัพย์ภายใน จะไม่รู้จักซับภายในว่าเป็นอย่างไรจะไม่รู้จักคุกตารางของใจว่าเป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรจะมุ่งไปสู่ที่ซับภายนอกจะต้องการมากๆต้องการนัดต้องการเร็วๆต้องการง่ายๆไม่มีวิธีใดที่จะสะดวกรวดเร็วเท่ากับการทำบาป แต่ไม่รู้ว่ากำลังไปทำผิดกฎแห่งกรรมทำผิดกฎหมายของใจที่เหมือนกับกฎหมายของร่างกายร่างกายถ้าทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษได้แต่ก็ไม่แน่นอนเพราะว่าบางทีก็หลบได้หลีกได้หนีได้แต่ กฎแห่งกรรมนี้หลบไม่ได้หลีกไม่ได้หนีไม่ได้กฎแห่งกรรมนี้มันจะตามจับผู้ที่ทาผิดผู้ที่ทำบาปไปติดคุกติดตารางในอบายดังนั้นอย่าไปหลงกับการหาทรัพย์ภายนอกมากจนเกินไปหาพอให้อยู่แบบสบายไม่ ทุกยากลำบากไม่เดือดร้อนคือพอมีพอกินพอใช้ตามความจำเป็นของร่างกายอย่าไปใช้กับความต้องการของกิเลสตัณหาของความโลภของความอยากเพราะมันจะไม่พอใช้ความโลภนี้ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่เขต มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆ เ, เมื่อมันเห็นเรามีเงินมากความโลภความอยากมันก็จะมากตามไปตามจำนวนเงินไปตอนไม่มีเงินขอให้ซื้อรถจกักรยานได้ก็ดีใจแล้วพอได้เงินมาก้อนหนึ่งนี้จกักรยานไม่ขี่แล้วต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพอได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งนี้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เอานะ เอารถเกง๋งเอารถปิกอัพดีกว่าพอได้เงินหม่ก็รถเกง๋งรถปิกอัพธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องเป็นรถเก๋งชนิดพิเศษเนะี่ยมันจะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใจหาเงินมามากน้อยเพียงไรเท่าไหร่ถ้าใช้กับความอยากแล้วจะไม่พอใ้ แล้วจะทำให้ต้องไปทำบาปเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่า<ม>การทำบาปนี้เป็นวิธีที่หาเงินที่สะดวกรวดเร็วที่สุดนะแต่ไม่รู้ว่ามันก็เป็นวิธีที่จะไปติดคุกติดตารางในอบายที่ง่ายที่สุดเนยเช่นเดียวกันดังนั้น ถ้าเรามาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ว่านอกจากทรัพย์ภายนอกแล้วยังมีทรัพ ย, ย์ภายในที่จะให้ความสุขความสบายแก่จิตใจมากยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนอกจากให้ความสุขสบายกับร่างกายแล้วก็ยังมาสร้าง ความกังวลให้กับจิตใจได้เพราะทรัพย์ภายนอกมันไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะมันจะหมดเมื่อไหร่เวลาหมดก็จะทำให้วุ่นวายใจเดือดร้อนใจ น, นี่คือโทษของทรัพย์ภายนอกประโยชน์ของมันก็มีเพียงแต่ดูแลเลี้ยงดูร่างกาย ใอยู่อย่างสุขสบายให้มีกินมีใช้นอกถ้ามีมากเกินไปนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเอาไปใช้กับความอยากก็จะกลายเป็นโทษขึ้นมาทรัพย์ภายนอกนี้จะมีประโยชน์อย่างเดียวก็คือเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในมีทรัพย์ภายนอกที่เหลือกินเหลือใช้ที่ไม่ต้อง ไม่ต้องใช้กับความจำเป็นต่างๆเช่นไม่ไม่ต้องใช้กับปัจจัยสี่เพราะปัจจัยสี่มีพอเพียงแล้วมีบ้านแล้วมีเครื่องนุ่งหม่มเหลือใช้มีอาหารรับประทานตลอดเวลามียารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ามีทรัพย์ภายนอกเหลือจากการใช้กับการเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าเอาไปใช้กับความอยากก็เป็นการไปสร้างปัญหาให้กับใจเพราะว่ามันจะไม่พอใช้ถ้าใช้เงินกับความอยากนี่ต่อให้มีเท่าไหร่มันก็มีของที่มาล่อใจให้ซื้อมากขึ้นไปเท่านั้น <c oughs> ดังนั้นต้องห้ามอย่าเอาทรัพย์ภายนอกไปใช้กับ ความอยากต่างๆให้เอาทรัพย์ภายนอกไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกนี้จะทําให้เปลี่ยนจิตจะทําให้จิตใจได้เทวทรัพย์เทวทรัพย์คือทรัพย์ของเทวดาคือตายไปจะได้เป็นเทวดาแต่ก่อนที่จะไปเป็นเทวดาได้ต้องมี มีมนุษย์สัญทรัพย์ก่อนต้องมีทรัพย์ของมนุษย์ก่อนทรัพย์ของมนุษย์คืออะไรก็คือไม่ทำบาปนั่นเองคือศีลห้าการจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายต้องมีศีลห้าเป็นประกันภัยเป็นสิ่งที่จะประกัน ไม่ให้จิตใจตกต่ำจากระดับของมนุษย์ลงไปสู่ระดับของอบายคือระดับของเดลชานของเปรตของอสุรกายของนรกเนี่ยดังนั้นสิ่งแรกที่ควรจะสร้างขึ้นมาก็คือสร้างมนุษย์สยมสมบัติก่อนด้วยการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์พยายาม ถือศีลพยายามละเว้นจากการกระทำบาป5ข้อโดยกันหนึ่งไม่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำบาปด้วยการลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ทำบาปด้วยการประพฤติผิดประเวณีไม่ทำบาปด้วยการพูดโดโกหกหลอกลวงไม่ทำบาปด้วยการดื่มสุรายาเมาและของมึนเมาต่าง เพราะว่าเมื่อมีอาการมึนเมาแล้วเวลาคิดจะทำบาปจะไม่มีอะไรมายับยัง้งจะไม่มีสติมายับยั้งมาห้ามใจแต่ถ้ายังไม่มึนเมาเวลาคิดจะทำบาปก็ยังมีสติที่จะมายับยัง้งการกระทำบาปได้นี่คือสมบัติชิ้นแรกที่พวกเราควรจะสร้าง ตอนนี้เวลาเรามาเกิดเราก็ได้สมบัตินี้มาแล้วคือมนุษย์เสยสมบัติเวลาที่เรามาเกิดนี่ใจของเรานี่ปราศจากโทษปราศจากคุณคือคุณและโทษที่มีอยู่ในใจมันมีกำลังพอๆกันคุณก็คือบุญที่ได้ทำได้สะสมไว้ในใจโทษก็คือบาปที่ได้เคยทำไว้ สะสมไว้ในใจเวลาที่บุญกับบาปมัในมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถส่งจิตให้ไปรับเทวทาสร์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงจิตให้ไปติดคุกติดตารางในอบายได้เวลานั้นจิตก็จะเป็นกลางเป็นมนุษย์เป็นจิตของมนุษย์อ เป็นจิตที่มีบุญกับบาปเท่าๆกันก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดังั้นตอนที่เราเกิดมาออกมาใหม่ๆตอนที่เป็นเด็กทารกนี้ร่างกายกับใจนี้เป็นมนุษย์พร้อมกันแต่พอเริ่มโตขึ้นมานี่ใจจะเริ่มเปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปกับการกระทำส่วนใหญ่มักจะไปทางไม่ดีไปทางอบาย เพราะเวลาเป็นเด็กก็อยากจะได้ข้าวของได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่มีใครคอยสอนคอยห้ามก็เดี๋ยวก็ไปลักขโมยของเพราะไม่มีของของตนเองยังไม่มีสมบัติของตนเองเห็นอะไรชอบก็อยากได้ขึ้นมาก็จะไปความับมาเลยอันนั้นก็เริ่มทำบาทเริ่มลักทรัพย์ละ พอรักทรัพย์ถ้าถูกจับก็จะโกหกแล้วถามว่าเอาไปหรือเปล่าไม่ได้เอาไปครับอันนี้นีส่วนใหญ่จะเริ่มไปทางบาปมากกว่าไปทางบุญเพราะว่าทางบุญนี่ไปยากกว่าการจะไปทางบุญได้นี่ต้องมีทรัพย์ของตนเองแล้วอยากจะแบ่งให้ผู้อื่นได้ใช้บ้าง ถึงจะได้ไปทำบุญเห็นบุญนี้จะมาที่หลังบาปนี้จะมาก่อนเพราะมีอำนาจในใจที่คอยดึงใจให้ไปกระทำบาปนั่นเองก็คือความอยากได้สิ่งต่างๆไตเมื่ออยากได้สิ่งต่างๆแต่ตัวเองยังไม่มีก็ต้องไปขโมยหรือไปขอ ถ้าขอก็ยังไม่เป็นบาปถ้าขอแล้วได้มาเจ้าของเขาให้มาก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าขอแล้วเขาไม่ให้พอเห็นเขาเผลอก็เลยเอามาอันนี้ก็จะเป็นบาปขึ้นมาเป็นการทาลายความเป็นมนุษย์ลงไปจิตเมื่อเริ่มทำบาปจิตก็จะเริ่มกลายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอาส่รกาย หรือเป็นนรกขึ้นมาดัางนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะสอนลูกๆเด็กๆก็คือสอนเรื่องศีลธรรมก่อนเพื่อเด็กจะได้ป้องกันจิตใจของตนไม่ให้ไปตกต่ำไม่ให้ไปติดคุกในอบายต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเรื่องนี้พ่อแม่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจส่วนใหญ่ ไปอยากจะสอนให้ลูกเก่งซะมากกว่าอยากจะให้ลูกเล่นไวโอลินเล่นเปียโนเล่นกีต้งกีตาร์เล่นอะไรต่างๆพอไปประกวดไปแข่งขันได้เหรียญมาโอ้ยดีอกดีใจแต่ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจความเก่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาป้องกันหรือรักษามนุษย์สมบัต ของใจไว้ได้เพราะว่าบางทีไปแข่งขั น, นว่าก็ยังไปโกงกันก็มีใช่ความอยากได้รางวัลเนี่ยบางทีก็ทำให้ต้องโกงกันโกงก็ถือว่าเป็นการทำบาป <c oughs> นะงั้นสิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะสอนลูกก็คือสอนให้ลูกมีศีลข้อที่หนึ่งก็เรื่องรักทรัพย์เนี่ยสอนไว้ก่อนเลย หนูอยากได้อะไรหนูอย่าไปเอามาถ้าไม่ใช่ของหนูถ้าเป็นของคนอื่นต้องขอเขาก่อนบอกเจ้าของเขาก่อนบอกอันนี้ผมขอได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็อย่าเอาขอพ่อขอแม่ส่วนใหญ่ขอพ่อขอแม่แล้วพ่อแม่มักจะให้เห็นข้อแรกควรจะสอนก็คือไม่ควรลักทรัพย์นะ ข้อที่สองก็สอนไม่ให้โกหกนะให้พูดความจริงอย่าโกหกเพราะคนที่โกหกนี้ไม่ทําชั่วไม่มีคนที่โกหกเพราะทําชั่วมานั้นเองทําบาปมานั้นถึงจะโกหกไปขโมยของเ ข, ง ข, งขงมาเจ้าของก็ถามว่าเอาของฉันไปหรือเปล่าเปล่าเอออเาไปแล้วแต่บอกว่าเปล่าโกหกแล้ว นี่คือสิ่งที่พ่อแม่ควรที่จะสอนเพื่อที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของลูกเอาไว้มนุษย์จะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจต้องมีศีลเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของของใจไว้ถ้าไม่รักษาความเป็นมนุษย์ปล่อยให้ไปทําบาป ปล่อยให้ไปรักทรัพย์ไปโกหกดอกหลวงหรือปล่อยให้ไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นฆ่ามดมแมลงยุงอะไรต่างๆถึงแม้นเขาจะเป็นตัวเล็กแต่ใจเขาก็เท่าเราน ะ, มะแมลงมันตัวนิดเดียวแต่ใจของเขากับใจของเรานี่ขนาดเท่ากันความกลัวตายเท่ากันความทุกข์เวลาถูกเขาฆ่านี่เท่ากัน ไม่ต่างกันความสุขที่รอดตายนี้ก็เท่ากันเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นเพราะว่าเขาเป็นตัวเล็กแล้วเขาจะไม่ทุกข์เหมือนกับเราทุกข์เนีเขาทุกข์เหมือนกับเราเรารักกายเราักร่างกายของเราเรารักชีวิตของเราอย่างไรเขาก็รักร่างกายรักชีวิตของเขาอย่างนั้นนี่คือสิ่งแรกที่เราควรที่จะ กระทำกันและสอนลูกถ้าเรามีลูกมีหลานคือให้รักษาทรัพย์ที่เราได้มาจากพ่อแม่จากตอนที่เรามาเกิดตอนที่เรามาเกิดนั้นตอนนั้นเราเป็นมนุษย์เต็มร้อยเป็นมนุษย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเพราะเวลานั้นบุญกับบาปที่มีอยู่ในใจของเรามันมีกำลังพอๆกัน บุญไม่สามารถดึงให้เราไปรับเทวสมบัติหรือพรหมสมบัติหรืออริยสมบัตินะบาปก็ไม่สามารถดึงให้เราไปติดคุกติดตารางในอบายไม่ให้เราไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอาสละกายเป็นนรกเนี่ยดังนั้นควรจะรักษาไว้ซึ่งไม่ใช่เป็นของยากเย็นเลย การไม่ทํำบาปนี้ก็เคยพูดอยู่แล้วว่ามันง่ายกว่าการกระทาบาปนะนั่งเฉยๆตอนนี้ก็ไม่ได้ทําบาปแม้แต่ข้อเดียวจะทําบาปนี้ถ้าจะไปขโมยของก็ต้องไปเลือกดูแล้วที่ไหนมีของที่อยากได้ก่อนต้องไปสํารวจขโมยนี้มักจะไปสํารวจตามดูบ้านของคนก่อนบ้านไหนมีข้าวมีของอะไร แล้วกว่าจะไปขโมยได้ก็ต้องรอจังหวะรอเวลาแล้วต้องอาจจะต้องปีนป่ายต้องเปิดกุญแจเปิดประตูไม่ใช่เป็นของง่ายนะกว่าจะทำบาปได้แต่ละครั้งแต่การไม่ทำบาปน่ง่ายกว่าเยอะแยะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ทำบาปนะมีศีลแล้ว แล้วทำไมเราถึงไปเหน็ดเหนื่อยเพื่อเราจะได้กลายเป็นสิ่งที่เร็วกว่ามนุษย์ไปเป็นเดลฉ า, านกันทําไมไปเป็นเปรตกันทําไมไปเป็นนอสุลกายไปตกนรกกันทําไมในเมื่อเราสามารถที่จะเป็นมนุษย์ได้แบบง่ายๆแบบนั่งเฉยๆสงบกายสงบวาจาเท่านั้นเองไม่มีการกระทําทางกายไม่มีการกระทําทางวาจา บาปมันเกิดไม่ได้บาปมันเกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาฉะนั้นมาหัดนั่งฟังเทศมาหัดนั่งสมาธิดีกว่าแล้วจะรู้สึกว่าการทําบาปนี้มันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกว่าการไม่ทําบาปนี้มันง่ายแสน ง, ง่ายานั่งเฉยๆฟังเทศฟังธรรมตอนนี้ก็ไม่ได้ทําบาปนะมีศีลนะเป็นมนุษย์เต็มที่แล้ว แต่พอไปเคลื่อนไหวไปเห็นอะไรเข้าทีนี้อาจจะไปทำบาปได้แนละ้วเดี๋ยวไปเจ อ, อมแมลงไปเจอสัตว์อะไรมาเกาะเดี๋ยวก็ตบมันน ะ, อ, ะอันนี้ที่ตบเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นบาปใช่ไหมคิดว่าต้องรักษาร่างกายต้องปังกันร่างกายเมื่อมันจะมากัด เดี๋ยวมันเอาเชื้อมาทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องป้องกันร่างกายของเราแต่เราก็ไม่ต้องไปฆ่ามันเราก็ไล่มันไปก็ได้เอาอะไรไล่ลมันไปไม่ต้องไปตบมันเพียงแต่ขยับให้มันขยับขยื่นไปยงกัยก็ขยับมันไปหน่อยอมันก็ไปแล้ว นี่คือสมบัติชิ้นแรกที่เราควรที่จะรักษาไว้เพราะหลังจากที่เราตายไปถ้าเรารักษามนุษยสมบัติได้อย่างน้อยเราก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปรับโทษไปเกิดเป็นสัตว์สี่เท้าไรเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นอะไรต่าง หรือถ้าเป็นดวงวิญญาณก็ไม่ต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์คือทุกข์ด้วยความหิวก็เป็นเปรตทุกข์ด้วยความกลัวก็เป็นทารุณร่กายทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็เป็นนรกเนี่ยอันนี้เราป้องกันได้ด้วยการมารักษาศีลห้ากัน พยายามรักษาศีลห้าไว้พยายามใช้สติใช้หิริโอตตา ป, ปะนี่วิธีที่จะทําให้เรารักษาศีลห้าได้คือการมีหิริโอตตา ป, ปะฮิริแปลว่าความอายเพราะว่าคนทําบาปไม่สวยงามไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนที่สวยงามนี้เป็นคนที่มีศีลมีสัตว์นจ คนที่ไม่มีศีลมีสัต์นี้ถึงแม้จะได้เป็นนางงามจั ก, กรวาลก็ไม่น่าไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคบกับเขาก็จะถูกเขาหลอกลวงเอาคนไม่มีศีลไม่มีสัต์ก็หลอกลวงช่อโกงหรือดีไม่ดีอาจจะฆ่าเราก็ได้ถ้าเขาต้องการอะไรที่เรามีอยู่ น, นี่คือ ต้องมีฮิลิข้อแรกต้องต้องเห็นว่าคนที่ทำบาบนี้เป็นคนน่าเกลียดน่าเกลียดยิ่งกว่าขอทานขอทานหรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาอับปลักมันยังไม่น่าเกลียดเท่ากับคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลนี่เป็นคนที่น่าเกลียดเพราะเป็นคนที่อันตรายน่ากลัวเพราะอยู่กับเขา ไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายเราเมื่อไหร่ด้วยวิธีใดไม่ฆ่าก็ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็ไปประพฤติผิดประเวณีกับคนของเรากับสามีของเรากับภรรยาของเรากับลูกของเราหลอกลวงโกหกหลอกลวงทำให้เกิดความสับสวนวุ่นวายไม่รู้ใครผิดใครถูกใครดีใครชั่ว อันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดกันจะได้รู้ว่าการทำบาปทีนี้มันไม่ดีไม่ดีเพราะทำให้เราไม่สวยไม่งามแล้วก็ข้อที่สองอดตปะคือให้กลัวผลของบาปที่จะตามมาผลของบาปก็อย่างที่พูดนี้จะเสียมนุษยยสมบัติไปจะเสียความเป็นมนุษย์ไปตายไปนี้ เวลากลับมาเกิดใหม่ตายไปยังจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะต้องไปรับผลบาปก่อนต้องไปติดคุกติดตารางในอบายก่อนไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกนะถ้าเรามีฮิลิโอตตะ ป, ปะเนี่ยจะทำให้เราไม่ค่อยกล้าทำบาปกันเหมือนกับกฎหมายที่เขาออกมานี้ ถ้าออกมาแล้วไม่มีโทษแรงๆไม่ค่อยมีใครกลัวกันถ้าปรับห้าร้อยนี่โอ๊ยเดี๋ยวก็ยินดีจ่ายค่าปรับกันถ้าปรับสักแสนอย่างนี้ต้องคิดก่อนนะจะไม่มีข่าวว่าก็จะปรับอะไรลืมใบกับขีไม่มีติดใบกับขีมาจะถูกปรับเป็นหมื่นเป็นแสนนะขอให้มันมีค่าปรับแรงๆนะมันจะไม่ไม่กล้าทำผิดกัน ทันใดเราต้องศึกษาว่าอบายมันเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าเนี่ยที่ที่ไปของเราต่อไปเห็นไหมเห็นสัตว์เดรัจฉานไหมเขาอยู่เขากับมนุษย์นี่ใครอยู่สบายกว่ากันมนุษย์กับเดรัจฉานนี่ใครเก่งกว่ากันใครปลอดภัยกว่ากันอยู่แบบเดรัจฉานนี่บางทีก็ไม่รู้จะมีอาหารกินเมื่อไหร่เพราะว่าต้องคอยไปไล่จับ สัตว์เล็กสัตว์น้อยมากินบางวันก็อาจจะจับไม่ได้เลยก็ต้องอดไปนอกจากไปคอยจับเขาแล้วยังต้องคอยหลบให้สัตว์ใหญ่กว่ามาคอยมาจับอีกมามากัดมากินอีกชีวิตของสัตว์เดรัจฉานจึงเป็นชีวิตที่มีความทุกข์มากกว่าชีวิตของความเป็นมนุษย์ให้คิดแบบนี้ หรือให้คิดเปรียบเทียบเหมือนคนที่ไม่ติดคุกกับคนติดคุกว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ไม่ติดคุกสบายไม้มไปไหนมาไหนได้อยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะทำอะไรทำได้พอไปติดคุกแล้วอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้อยากจะทำอะไรดูอะไรก็ทำไม่ได้ดูไม่ไดนะ้ให้เห็นโทษของการทำบาปจะได้กลัวบาป ผลของการทำบาปก็คืออบายสีแล้วก็คนทำบาปจะเป็นคนที่น่ารังเกียจถ้าใครเขารู้แล้วเขาจะมักจะไม่ค่อยอยากจะคบก้าสมาคมด้วยใช่คนที่ไปติดคุกออกมาแล้วเป็นยังไงพอมาหางานนี่เราก็รู้ว่าเคยติดคุกนี่เขาไม่จ้างละเพราะมีประวัติไม่ดีประวัติเสียถึงแม้ว่าจะไปใช้โทษแล้วก็ตาม เขาก็ยังกลัวว่ามันอาจจะไม่เข็ดหลาบก็ได้ดนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ไม่จ้างเขามาทำงานดีกว่าคือพยายามให้มีฮิลิโอตตะขึ้นมานึกถึงผลที่เกิดจากการทำบาปจะทำให้เราเป็นคนหน้าอับอายขายหน้าจะทำให้เราต้องไปรับผลที่เราไม่ต้องการจะรับ คืไปเกิดในอบายแล้วเราจะสามารถที่จะรักษาสมบัติภายในระอันดับแรกไว้ได้ก็คือมนุษยสมบัตินพอเราได้มนุษยสมบัติแล้วเราอยากจะได้สมบัติที่ดีกว่ามนุษยสมบัติเราก็ต้องไปสร้างเทวสมบัติขึ้นมา เพราะว่าการเป็นเทวดานี่มีความสุขมากกว่าการเป็นมนุษย์นั่นเองเทวดานี้ต้องการอะไรสามารถเนรมิตขึ้นมาได้ต้องการเที่ยวก็เนรมิตสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาต้องการดูต้องการฟังอะไรเทวดานี่เนรมิตสิ่งต่างๆขึ้นมาได้คือเขามีเขาเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ด้วยการใช้อ สังขารความคิดปรุงแต่งของเขานี้เนรมิตรูปเสียงรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพให้ให้เขามาเสพได้ตลอดเวลาแล้วก็ความปลอดภัยก็มากไม่มีอะไรจะม า, าทำลายร่างกายของมนุษย์ทำลายร่างกายของเทวดาได้ร่างกายของมนุษย์นี้ยังมีภัยรอบด้าน ยังมีภัยต่างๆที่จะมาทำร้ายร่างกายของมนุษย์ได้ฉะนั้นการไปเกิดเป็นเทวดานี้มันสบายกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีก็แค่ความเสื่อมเวลาบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทวดาหมดลงก็ถึงจะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ วิธีสร้างเทวสมบัติก็คือเอาทรัพย์ภายนอกที่เรามีอยู่นี่มีเงินทองมากน้อยเพียงไรที่เรารู้ว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ถ้ า, าไปใช้กับความอยากก็เป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดมาเสพก็ไม่ควรใช้เงินแบบนั้นไม่ควรใช้เงินตามความอยากต่าง แล้วถ้าเะนั้นเราจะทำไงก็เอาไปเปลี่ยนเป็นเทวสมบัติสิเอาเงินนี้ไปทาบุญทำทานการทาบุญทาทานนี้เรียกว่าเป็นการแปลงทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นทรัพย์ภายในให้จากทรัพย์ของมนุษย์มากลายเป็นทรัพย์ของเทวดาตายไปจะได้ไปเป็นเศรษฐีในโลกทิพย์ทำมากก็จะเป็นเศรษฐี มากขึ้นรวยมากขึ้นทำน้อยก็รวยน้อยเทวดาก็มีแบ่งเป็นชั้นชั้นมีชั้นที่สุขมากกับชั้นที่สุขน้อยชั้นต่ําก็สุกน้อยกว่าชั้นสูงชั้นต่ําเพราะทําบุญน้อยก็เลยได้ชั้นต่ําชั้นสูงเพราะทําบุญมากก็เลยได้ชั้นสูงอันนี้เป็นวิธีที่ บัณฑิตหรือคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าทากันและสอนพวกคนงโง่อย่างพวกเราให้มาทำกันนะเพราะว่ามีทรัพย์ภายนอกถ้าไม่เอาไปทำบุญก็ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจเอาไปใช้กับความอยากก็เกิดโทษกับจิตใจแล้วจะทำยังไงถ้าไม่ใช้วางปล่อยไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไร ฉั้นก็มีทางเดียวท่านที่จะมีคุณประโยชน์ก็คือเอาไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในเอาไปทำบุญทำทานกันดูพระเวชสันดรเป็นตัวอย่างสมัยที่ยังไม่ได้ตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เคยเกิดเป็นพระเวชสันดรท่านก็มีทรัพย์เท่าไหร่ท่านก็เอาไปแลกเป็นทรัพย์ภายในหมดพอตายไป ดวงวิญญาณของท่านก็ไปเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ของเทวดาแล้วพอบุญที่พาให้ท่านไปเป็นเทวดาหมดลงท่านก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมารวยต่อรวยเป็นเทวดารวยยังไม่พอพอกลับมาอา น, นิสงส์ของบุญที่ได้ทาไว้ก็ยัง พาให้กลับมาร่ำรวยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยกว่าเดิมชาติก่อนเคยรวยร้อยล้านชาติหน้าจะรวยพันล้านหมื่นล้านอันนี้คือประโยชน์ของการเอาทรัพย์ภายนอกมาแปลงเป็นทรัพย์ภายในมาแปลงเป็นเทวทรัพย์แต่ยังมีทรัพย์ที่วิเศษกว่าเทวทรัพย์ ทรัพย์ที่วิเศษกว่าเทวทรัพย์เรียกว่าพรหมทรัพย์ก็คือเป็นทรัพย์ของผู้ที่ผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมจะได้ไปเสพเทพรหมทรัพย์วิธีที่จะสร้างพรหมทรัพย์นี้ก็ยากกว่าการสร้างสร้างเทวทรัพย์การสร้างเทวทรัพย์นี่เพียงแต่ นักษาศีน้าให้บริสุทธิ์แล้วก็บริจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปที่ไม่ต้องเก็บไว้ที่ไม่ต้องใช้ไปก็ได้เทวทรัพย์แต่ถ้าหากจะได้พรหมทรัพย์นี้ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยยิบเจ็ดศีลสามรอยสิบแปดข้อนี้อันนี้เป็น ขบวนการของการสร้างพรหมรัพย์พรหมรัพย์ก็คือการทำจิตใจให้เข้าสู่ฌานระดับต่างๆนั่นเองถ้าได้รูปฌานถ้าได้ความสงบของรูปฌปานก็ได้ได้รูปประพรมเป็นสมบัติได้ไปเกิดเป็นรูปประรมเป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพ มีความสุขที่ละเอียดที่สุขคุ้มที่หนักที่มั่นคงกว่าความสุขที่ได้จากสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าได้อารูปประชานที่เป็นความสงบมากยิ่งกว่าความสงบของอรูปปะัะของรูปปานก็จะได้ความสุขของระดับอรู ป, ประภมได้ซับของอรูปปภมคือความสงบที่ละเอียด ยิ่งขึ้นไปต้องได้อรูปฌานสี่ถึงจะได้อรูปสับ อ, ร, อรูปปฐมสับถ้าได้ฌานสี่รูปฌานสี่ก็จะได้รูปปฐมสั์วิธีที่จะได้นี้ที่เกิดต้องไปถือศีลแปดไปสละการหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้กาย เปลี่ยนจากการเป็นเทวดาเทวดาหาความสุขจากรูปทิพ์เสียงทิพส์กลิ่นทิพส์พรมจะไปหาความสุขจากความสงบของใจแทนที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเทวดาจะไปได้นีต้อง ละเว้นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต้องถือศีลแปดศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกต้นกายไม่ให้ร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการกินการดืม่มกินได้ดืม่มได้แต่ให้กินดื่มแบบเติมน้ำมันลดอย่าไปกินดื่มแบบไปตกแต่งลถอันนี้ไม่ต้องการตกแต่งความสุขด้วยการกินด้วยการดืม่ม วรามันเป็นความสุขที่หยาบแล้วมันจะมากั้นความสุขที่ละเอียดคือความสุขที่จะได้จากการทําใจให้สงบต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายให้มาหาความสุขจากการเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเนจเริญสมถะภาวนาทําใจให้สงบด้วยการ จเจริญสติสร้างสติขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีสติจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ใจจะสงบต้องมีสติดังนั้นเบื้องต้นก่อนที่จะมาทำใจให้สงบต้องมาสร้างสติก่อนวิธีสร้างสติก็ใช้กรรมาฐานเป็นอารมณ์กรรมาฐานนี้คืออารมณ์ที่เราสามารถใช้ในการสร้างสติขึ้นมากรรมาฐานนี้มีอยู่สี่สิบ ชนิดด้วยกันใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ที่ถูกกับเราที่เหมาะกับเราที่เราสามารถาทำได้ง่ายง่ายที่สุดก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราหมั่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี่ ก็สแสดงว่าเรากำลังสร้างสติกันขึ้นมาปลุกสติกันขึ้นมาเพราะเวลาเราบริกรรมพุทโธเราก็จะหยุดความคิดต่างๆไปโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถคิดพร้อมกับไปกับพุทโธได้ถ้าเราพุทโธเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นน็อดต่างๆไม่ได้ดังั้นถ้าเราพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆต่อไปใจของเราก็จะหยุดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นน็ต่างๆ พอไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นลดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดมันก็หายไปพอหายไปใจก็นิ่งสงบเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมาที่เป็นเป็นพรหมซับเนี่ยคือได้เป็นได้ฌานขึ้นมาได้ฌานสี่ฌานรูปฌปานสี่ได้อารูปฌปานสี่นี่คือวิธีที่เราจะสร้างรั์ภายในอีกชนิดหนึ่ง ที่เหนือกว่าทรัพย์ของเทวทรัพย์ก็คือพรหมทรัพย์เนี่ยแต่ทรัพย์เหล่านี้ทรัพย์ภายในเหล่านี้ยังมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งคือมันยังไม่ถาวรถึงแม้ว่าเราจะเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายตายแล้วแต่หลังหลังจากที่เราเอาไปใช้มันเดี๋ยวมันก็หมดได้เหมือนเงินที่เราเอาไปเที่ยวต่างประเทศเ ตอนที่เราอยู่ในประเทศเราก็เปลี่ยนเงินเงินบาทไปเป็นเงินต่างประเทศพอเราไปต่างประเทศเราก็เอาเงินที่เราเปลี่ยนนี้ไปใช้ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องหมดนต้องไปจ่ายค่าอาหารค่าโรงแรมค่าท่องเที่ยวค่าช้อปปิง้งค่าอะไรต่างๆเดี๋ยวก็หมดพอหมดก็ต้องกลับบ้านไปเที่ยวต่างประเทศพอเงินหมดทั้งหม่ก็ต้องกลับบ้าน กลับมาหาเงินหาเงินใหม่เพื่อจะได้ไปเที่ยวใหม่ทรัพย์ของพวกพรมาทรัพย์เทวทรัพย์ก็แบบเดียวกันเหมือนกับได้ไปเที่ยวในโลกทิพย์พอบุญหมดบุญที่ส่งให้ไปเที่ยวในโลกทิพย์หมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เกิดมามาสร้างบุญใหม่มาสร้างทรัพย์ใหม่มาสร้างเทวาทรัพย์พร ม, มาทรัพย์ใหม่ มันก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นขึ้นลงล ง, ลงไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบทรัพย์ภายในอีกชนิดหนึ่งที่ได้มาแล้วจะไม่มีวันหมดทรัพย์ภายในที่ได้มาแล้วไม่มีวันหมดนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้านี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน คืระดับที่หนึ่งก็โสดาบันระดับที่สองสกิฎดาคามีระดับที่สอนาคามีระดับที่สี่อรหันต์นี่คือทรัพที่ถ้าได้มาแล้วเทนี้ไม่มีเสือ่อไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดพอได้โสดาบันทรัพมาก็จะเป็นโสดาบันไปตลอดไม่มีวันเสื่อมที่จะลงมาเป็นพรหมมาเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์เอง แล้ถ้าได้สกิราคาก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันถ้าไดอา้อนาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิราคาไม่มาเป็นโสดาบันถ้าได้อรหันก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ต่างกว่าพอถึงขั้นอรหันต์ก็จะไปได้ ทรัพที่สมบูรณ์ทรัพที่ถาวรคือพระนิพพานนิพพานสมบัติเป็นสมบัติที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นสมบัติที่ให้ความสุขที่มากที่สุดที่สัตว์โลกที่จะหาได้พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ค้นพบนิพพานสมบัตินี้พระองค์จึงนำเอามาสอนพวกเรา วิธีที่เราจะได้นิพพานสมบัติได้อริยะสมบัติก็คือเราต้องเริ่มที่การได้การหาเอามนุษยั์สมบัติก่อนด้วยการรักษาศีลห้าพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้ไปทำบุญเพื่อที่จะได้เป็นได้เทวซั์พอได้เทวซั์ก็ให้ไปถือศีลแปดแล้วก็ให้ไปฝึกสติ พุโทโธพุโทโธแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบได้ฌานขั้นต่างๆก็จะได้พรหมรัพย์เนีพอได้พรหมสัพย์แล้วก็ให้เปลี่ยนพรหมรัพย์นี่ให้เป็นพระอริยสัพย์ด้วยการใช้ปัญญาปัญญาที่พระธเจ้าท่งค้นพบว่าสาเหตุที่ทําให้ทรัพย์ภายในคือพรหมสัพย์เทวรัพย์เสื่อมลง ก็เพราะว่าก็คือความอยากตันหาคือกามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาที่จะคอยทําลายความสงบที่ได้จากพรหมทรัพย์จากเทวทรัพย์ไปยังวิธีที่จะไม่ให้สูญเสียทรัพย์ที่ได้พรหมทรัพย์นี้สูญเสียไปให้คงอยู่กับใจไปเรื่อยๆก็ต้องคอยกําจัด ความอยากที่ยังมีอยู่ในใจที่ยังโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องหยุดมันถ้าเกิดความอยากมีอยากเป็นก็ต้องหยุดมันเกิดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ต้องคอยหยุดมันวิธีที่จะหยุดมันได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่า มันจะสุขตอนต้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นทุกข์ไปเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมมันต้องหมดนะรูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากไปเสพเนี่ยพอเราได้เสพก็เกิดความสุขขึ้นมาพอเสพเสร็จมันก็หายไปพอหายไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปพอไม่มีมันไม่มีความสุขความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ทันที นะต้องให้เห็นานิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องกรารพอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าก็จะหยุดความอยากทำลายความอยากที่จะมาทำลายพรมมาซั์คือความสงบของใจได้พอไม่มีความอยากมาทาลายความสงบก็เลยสงบเป็นความสงบที่ถาวรความสงบที่ถาวรเราก็เลยเรียกว่านิพพาน ต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถแปลงพมมรมัตซับให้กลายเป็นนิพพานทรัพย์ขึ้นมาด้วยการทำลายความอยากต่างๆที่ยังมีในใจให้มันหมดสิ้นไปพอหมดสิ้นไปแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาทําให้ทรัพย์ภายในนี้เสื่อมหรือหมดไปเมื่อทรัพย์ภายในไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาหา มาสร้างทรัพย์กันใหม่แต่ถ้าทรัพย์ภายในยังหมดอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วก็กลับมาสร้างทรัพย์ภายในกันใหม่มารักษาศีลกันใหม่มาทมําบุญทําทานกันใหม่มาฝึกสมาธิกันใหม่มันก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสินสส้นสุดจะสิ้นสุด การเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องเจอพระพุทธเจ้าหรือตัวเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสั่งคําสอนหรือพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านจะเป็นผู้ที่จะสอนบอกเราให้รู้จักวิธีรักทรัพย์รักษาทรัพย์ภายในให้กลายเป็นทรัพย์ถาวรให้กลายเป็นนิพพานทรัพย์ขึ้นมาด้วยการกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันหมดสิ้นไป พอไม่มีความอยากหลงเนืออยู่ภายในใจแล้วทรัพที่หาทรัพภายในก็จะอยู่ไปตลอดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนะนี่คือเรื่องของทรัพที่มีอยู่ในโลกนี้สองชนิดด้วยกันทรัพภายนอกเป็นทรัพชั่วคราวไม่มีประโยชน์มากนะักมีประโยชน์แค่เลี้ยงดูร่างกายสู้เอาทรัพภายในที่มีคุณประโยชน์กับจิตใจที่จิตใจสามารถ เอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วและสามารถรักษาให้กายเป็นทรัพย์ที่ถาวรต่อไปได้ก็ขอให้เรานำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสงสอนนี้เป็นจริงหรือไม่การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจวขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวาหาปูราปริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ an ุปการปติอิชิต um ังปัิตังตุมหังคิพเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนโตสังกปา ยันโทปนะหราโสยธามะนีโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพะรุโควินัสตุมาเตภาวะโตอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุธาปะจายโน จตารโหทมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา296ร้อยเก้าสิูทูบสอง วิทยุออนไลน์29รับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดห2 2ยบอครับอตอนนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามกันใครมีคำถามอะไรถามได้ในตอนนี้ถามไปจนกว่าเราจะเลิกประชุมนะพอเลิกประชุมแล้วของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ทางบ้านมีมีคำถามหรือยังมีแหละครับได้ทางนี้ทางนี้กันนะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะมีคําถามค่ะแต่ว่าถ้าเนื้อหาไม่เหมาะสมยังไงขอกราบขอเข้ามาไว้ก่อนค่ะเมื่อคืนฝันค่ะว่าขับรถอยู่แล้วก็ขับผ่านพระอาจารย์แล้วในฝันรู้สึกว่า หยิบค่าผ่านทางให้พระอาจารย์ค่ะแล้วก็ขับผ่านไปพอผ่านไปได้ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งก็ได้นั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็มีคนมาเขย่าตัวแล้วคนก็พูดว่านี่ตายแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็ยืนมองตัวเองอยู่ทีนี้ก็พูดกับตัวเองในความฝันว่าโชคดีจังตายแล้ว แล้วพอตื่นมาตอนเช้าก็ไม่ได้รู้สึกตกใจหรือกลัวอะไรทีนี้อยากถามว่าในความฝันนี้จะนำมาใช้ประโยชน์อะไรในการภาวนาต่อไปได้หรือไม่คะกลับขอพระคุณค่ ะ, ะก็ลองไปพิสูจน์ดีว่ากลัวตายแล้วไม่กลัวตายความฝันนี้อาจจะบอกว่าเราไม่กลัวตายแล้วนี่เราก็ลองไป อยู่แถวที่มันน่ากลัวดูนว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ากลัวก็แสดงว่ามันก็ยังกลัวตายอยู่ก็ลองเอาความฝันนี้มาใช้ดูว่าก็เวลาไม่กลัวแล้วมันสบายกว่ากลัวหรือเปล่าอย่างไหนสบายกว่ากันกลัวตายก็ตายไม่กลัวตายก็ตายกลัวก็ทุกข์ไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ อันนี้ก็ต้องลองไปพิสูจน์ดูว่ามันจะเหมือนกับตอนที่เราฝันหรือเปล่าอ่าต่อไปคำถามจากาทางบ้านนะครับจากผู้ฝากถามอยากทราบว่าถ้าตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นเคยตกปลาและฆ่าสัตว์บ้างทั้งสัตว์เล็กพวกยุงหรือมด แต่ก็เลิกฆ่าสัตว์มานานแล้วถ้าเราจะปฏิบัติธรรมถือศีลจะช่วยล้างบาปครั้งก่อนๆได้ไหมครับ อ, อ่าล้างไม่ได้หรอกแต่อาจจะหนีได้อย่างองคุลิมานี้ฆ่าคนน้อง9ก้าคนพอไปปฏิบัติธรรมบรรลุถึงพระนิพพานก็หนีบาปหนีวิบากได้เพราะไม่กลับมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่มี การไปรับผลบาปมีทางเดียวที่จะทำให้หนีบาปทั้งหลายได้ก็คือต้องไปนิพพานถ้ายังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องต้องมาใช้อัดยังจะมารับผลบาปได้ต่อไปกลับเรียนถามพระอาจารย์ด้วยค่ะรอเดี๋ยวขอเอาไมโครโฟนไปหน่อยอช่วยส่งไม้ไปหน่อยพูดดังๆใกล้ปากจะได้ยินเสียง กลับเรียนถามเจ้าค่ะสมมุติว่าถ้าเราเอ่อมีบ้านใช่ไหมคะแล้วถึงเวลาที่ต้องกําจัดปลวกอะค่ะ อ, อ, อยากทราบว่าบาปไหมคะคนกําจัดก็บาปแต่คนไม่กําจัดก็ไม่บาปก็มีคนเข้าอาสาสมัครมาทําให้ก็ให้เขาทาไปได้โอเคค่ะ เ, เพราะเป็นอะไรที่ขาดใจมากเลยค่ะพระอาจารย์เราอย่าไปสั่งเขาทาเราอย่าทําเองก็ไม่บาป เราก็อาสาสมัครเขาติดโฆษณาไว้รับกําจัดปลวกแต่เราโทรเรียกเขาแบบทําสัญญาอะนะคะคระอาจารย์เราเราสั่งเราอยากไปเรียกเรืให้เขามาเองค่ะพอตอนหลังก็เลยบอกกับสามีบอกว่าวันหลังถ้าถึงดีวพวกนี้ยให้เขาดีวตรงกับสามีไปเลยดีกว่าค่ะอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะคะภรอาจารย์ก็เรายังไม่ได้ทำนะคือเขายินดีมาทําเราไม่ได้ไปสั่งเขาไปบังคับเขาค่ะ เขามาด้วยความยินดีของเขาเหตุนั้นเราไม่เราไม่บาปเราเขาบาปแต่เขายินดีรับบาปเพราะเขาไม่เ hey ชื่อบาปค่ะเขาไม่กลัวบาปคคถ้าป่วยเขาทําไปครับพระคุณค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ครับเทวดาเข้าไปทําบุญกันที่ไหนครับพระอาจารย์คะอ๋อเทวดาไม่มีเวลาทําบุญมีแต่เหมือนคนไปเที่ยวอะคนไปเที่ยวต่างประเทศคนคิดไปทําบุญที่ไหนอปะไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญ พอเวลาไปเป็นเทวดาเป็นเวลาไปรับผลบุญจะมาทําบุญก็ต้องมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเองแล้วเทวดาที่มาถามธรรมะพระอรหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าแล้วครับอาจารย์อ๋อพวกนี้ก็เป็นพวกที่อยากจ ะ, ะพ้นทุกข์เขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นการศึกษาเพื่อปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไป แล้วถ้าเกิดเราตายไปเป็นเทวดาเราก็ยังสามารถเข้าถึงธรรมะได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราฝ่ายธรรมแล้วมีผู้แสดงธรรมที่สามารถแสดงธรรมให้เทวดาได้หรือถ้าเรามีธรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครสอนเราก็เห็นพอเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ไม่ว่าจะไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็จะปฏิบัติธรรมไปไปเอง คำถามจัดทางอินบ็อกซ์นะครับมี3คำถามคำถามแรกดิฉันนั่งสมาธิมานานพอสมควรปัจจุบันนั่งแป๊บเดียวกายนิ่งและว่างเหมือนไม่มีลมหายใจในขณะที่ว่างรู้ว่ากายนั่งอยู่แต่เหมือนไม่มีกายเจ้าคะ่ะจิตก็จะออกข้างนอกไปแล้วกลับมา บางวันจะนิ่งได้นานบางวันฟุ้งซ่านก็จะบริกรรมพุทโธกายรู้สึกเบามีบางครั้งเหมือนจะลึกเข้าไปอีกชั้นว่างกว่าชั้นนอกแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกครั้งการทำสมาธิรู้สึกมีความสุขพอประมาณมีโอกาสว่างก็จะทำเสมอเจ้าค่ะจากเรียนถามว่าถ้าเป็นถ้านับเป็นขั้นของสมาธิ จะอยู่ในขั้นไหนและจะต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ยังขั้นไม่เต็มร้อยขั้นห้าสิบห้าอยู่ก็ต้องเพิ่มสติให้มีมากขึ้นต้องหมั่นเจริญสติเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลาทำอะไรให้ใจมีสติอยู่กับงานที่เราทำหรือให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยคิดฟุ้งซ่านและเวลานั่งมันจะมีกําลังน้อยที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เต็มร้อยถ้าคอยควบคุมความคิดในขณะที่ออกจากไม่ได้อยู่ในสมาธิคอยหยุดมันด้วยพุทธโธหรือให้มันจดจอ่อเฝ้าดูงานที่กําลังทาอยู่เวลานั่งสมาธิสติจะมีกาลังมากและจะมี ความสามารถที่จะดึงจิตให้เข้าไปลึกกว่าที่เคยเข้าไปได้ครับอีกสองคำถามถามแทนหลานสาวครับคำถามที่สองเวลาที่หลานสาวนั่งสมาธิพอได้ที่แล้วเขาเหมือนเข้าไปอยู่ในถ้ำไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยเจ้าคะ่ะสงบและมีความสุขเขาชอบขอเรียนถามว่าเขาจะปฏิบัติ ต่อไปอย่างไรก็ทำให้บ่อยๆทำให้มากขึ้นให้สงบนานขึ้นให้เข้าไปได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นทำบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะชนานาญขึ้นไปเหมือนกับทำอะไรต่างๆขี่จัก ร, รยานใหม่ๆก็อาจจะขี่ได้แต่ยังไม่ไม่ชนานาญถ้าขี่บ่อยๆต่อไปนอนขี่ก็ได้ยืนขี่ก็ได้ปล่อยมือขี่ก็ได้แสดงว่ามีความชำนาญ ก็ต้องพยายามทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้นฝึกสติให้มากขึ้นแล้วต่อไปจะเข้าไปได้ลึกได้นานคำถามที่สามมีครั้งหนึ่งที่หลานสาวไปปฏิบัติธรรมเมื่อกลับไปที่พักตอนที่หลับไปมองเห็นตัวเองนอนอยู่ก็ตกใจแล้วก็รู้สึกตัวขึ้น อาการแบบนี้มันคืออะไรและต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะอาการคือไม่มีสติเนี่ยยังงัก็ต้องดึงสติกลับมาอย่าไปตกใจพอเห็นอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วอาการต่างๆที่ปรากฏก็จะหายไปคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับ โยมเชื่อพระอาจารย์ว่านิพานนั้นจะพบบรมสุขแต่สงสัยว่านิพานแล้วจะไม่เกิดอีกจริงหรือคะมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์กราบขอพระคุณค่ะก็นิพานไงเป็นเครื่องพิสูจน์ <c oughs> <laughs> เพราะนิพานมันอิ่มมันไม่หิ ว, วมันไม่อยากได้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อมันไม่อยากได้มันจะแม่ก็ไม่เห็นก็มันก็ไม่ต้องมีร่างกายอนะไรนี่ ที่ยังมีมาบีร่างกายเพราะเพราะยังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรถกันอยู่แต่พอเบื่อรูปเสียงกลิ่นรถไม่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรถมันก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายเหมือนคนที่เบื่อกับการเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมีรถอ่ไม่อยากจะออกนอกบ้านมีรถไปทําไม starter, ไแต่ถ้ายังอยากออกข้างนอกอยู่มันก็อยากจะมีรถเห็นถ้าไม่อยากออกข้างนอกมันก็ไม่ต้องมีรถ ไม่อยากไม่อยากหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกมันก็ไม่ต้องมีตาหูจมกูกเล่นกายใจมันอิ่มมันก็จะไม่อยากกับสิ่งต่างๆคำถามต่อไปจากคุณพารินถ้าเราเจอเงินที่ตกอยู่ตามท้องถนนแล้วเก็บขึ้นมาถือว่าขโมยหมายเจ้าค้าและเอาเงินไปทำทานให้เด็กยากจนพุอดนามหลักมันก็ยังไม่ใช่เป็นของเราอยู่นะมันยังเป็นของคนอื่นอยู่ แล้วเรามาก็ถือว่าเรารักทรัพย์ของผู้อื่นไปอถ้าเราไม่อยากจะรักทรัพย์ก็วางไว้ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นกระดาษชิ้นหนึ่งหรือว่าเป็นโลหะอันหนึ่งอย่าไปถือว่ามันเป็นเงินความโลภความอยากได้มันก็จะไม่มีก็แล้วศึกใครจะเอาไปก็เรื่องของเขาไหมเราเรารักษาศีลของเราดีกว่า ถึงแม้จะเอาเงินไปทำบุญมันก็ได้บาปติดตัวไปด้วยได้ไม่คุ้มเสียคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามผู้ที่เคยทำแท้งจะสามารถเข้าพระนิพพานได้ไหมเจ้าคะได้ผมกุลิมานข้าคนต้องเก้าร้อยเกา้าคนยังเข้านิพพานได้ อยู่ที่ว่าจะตัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในภายในใจให้หมดสิ้นไปหรือเปล่าบาปในอดี ต, ตมมันไม่เป็นมันไม่เป็นประเด็นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำให้เสียเวลาไปการไปนิพพานนั่นเองเช่นพระเทวทัตนี่ถ้าไม่ทำบาปตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ไปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้ง ก็สามารถไปถึงนิพพานได้ในชาตินั้นเลยแต่พอไปฆ่าพุทธเจ้าก็เลยต้องไปรับผลบาปในนรกก่อนแล้วถึงจะค่อยกลับมาเกิดมาปฏิบัติปเป็นบรรลุเป็นพระปเจกับพุทธเจ้าต่อไปเราั้นมันจะทาให้เสียเวลาเพราะว่ามันต้องไปติดคุกติดตารางแทนที่จะไปเที่ยวได้เลยกำลังจะตีตั๋วขึ้นเครื่องบินอ่าวตารวจมา จับจะแล้วบอกว่านี่มีหมายจับคดีฆ่าคนก็เลยต้องไปรับโทษใช้โทษก่อนพอพ้นจากคุกมาแล้วทีนี้ไปตีตัวขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่อได้อันนี้ก็เหมือนกันบาปไม่ได้เป็นตัวขวางกันแต่เป็นตัวที่จะเหนี่ย ว, ยวลั้งทำให้การไปสู่พระนิพพานนี้เนินช้าลงยาวนานขึ้น คำถามต่อไปจากคุณคิกขูพอดีมีบุตรที่ต้องการจะสอบเข้าคณะแพทย์ในปีหน้าถึงสองคนพร้อมกันขออนุญาตเรียนถามต้องทำอย่างไรถึงจะสอบติดเจ้าคะ่ะดูหนังสือสิอะไรวะก็ที่เที่าสอบก็เพื่อจะดูว่าเราดูหนังสือหรือเปล่าจำได้หรือเปล่าถ้าดูหนังสือแล้วจำได้ ท่องหนังสือได้ทั้งเล่มรับรองได้สอบได้แน่ๆเพราะคําถามมันก็ออกมาจากหนังสือเงินนนจะไปออกมาจากที่ไหนมาเอาจากหนังสือที่เราดูนี่แหละถ้าเราดูหนังสือท่องมันทั้งเล่มให้ได้ตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าสุดท้ายมันจะถามหน้าไหนก็ตอบได้หมดนะคาถามต่อไปจากคุณเคอารอมปฏิบัติโดยสม่ําเสมอเจ้าค่ะ แต่พอมาประสบอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าเวลาที่กําลังจะนอนหลับจะมีอาการสะดุ้งผวาทั้งที่ปกติไม่เคยเป็นเลยเจ้าคะ่ะสมาธิจะสามารถช่วยให้อาการนี้หายไปได้ไหมเจ้าค่ะได้เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันฝังในใจมันจะทําให้เราหวาดผวาขึ้นมาช่วงที่เราเผลอสติได้ แต่ถ้าเราฝึกสติมีสติคอยควบคุมใจอยู่เรื่อยๆความหวาดผวาต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่มันจะไม่หมดนะถ้ามันจะหมดต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดอาการหวาดผวาขึ้นมาก็ปลงมันไปเลยเอาตายเป็นตายวะอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ต้องไปกลัวมันถ้าไม่กลัวมันแล้วต่อไปมันจะไม่เกิด ถ้ายังกลัวมันอยู่ทุกครั้งที่เกิดอาการหวาดาวาขึ้นมามันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานกลางคืนแต่รู้ว่าเป็นบาปแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตเจ้าคะ่ะแต่ถ้าเราภาวนาขอให้ชาติหน้าเกิดมาบวชตลอดชีวิตจะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะ่ะ ไม่ได้หรอกถ้าชาตินี้บวชตลอดชีวิตไม่ได้ชาติหน้ามันจะบวชได้ยังไงมันเคยทำอะไรชาติหน้ามันก็ไปทำอย่างเดิมอะเหมือนถ้าชาตนี้ถนัดมือขวาใช้มือขามาทั้งชีวิตชาติหน้าบห้มาใช้มือซ้ายมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกเคยใช้มือขามันก็ต้องไปใช้มือขวาต่อถ้าอยากจะเปลี่ยนมือขามาเป็นมือซ้ายก็ต้องหัดใช้มันตั้งแต่ตอนนี้ ใช้มือซ้ายไปต่อไปชาติหน้าก็จะใช้มือซ้ายได้ถ้าชานี้ยังทำงานยังคืนอยู่เป็นนางบางเงาอยู่ไีชาตนหน้ามันก็ต้องไปเป็นนางบางเงาต่อคำถามต่อไปจากคุณบอลมีอาการปวดที่หัวบริเวณหน้าผากไม่ทราบว่าอาการนี้เกี่ยวกับการที่เรานั่งภาวนาเพ่งนานๆหรือไม่อย่างใดเจ้าคะ่ะก็อยู่ที่ว่ามันเป็นตอนไหนนะ ถ้าเป็นเฉพาะตอนที่นั่งก็อาจจะเป็นเพราะการภาวนาคือเราเกรงมากเกินไปเราตึงมากเกินไปอยากมากเกินไปมันก็ทำให้การอาการตึงเครียดขึ้นที่ร่างกายได้แต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งหรือไม่นั่งก็ต้องไปหาหมอให้หมอเขาวิเคราะห์ือว่าเป็นอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นทั้งขณะที่นั่งกับไม่นั่งมันก็แสดงว่ามันต้องมีสาเหตุอย่างอื่น ถ้าเป็นชฉพะตอนที่นั่งอย่างเดียวนั่งสมาธิเป็นแต่พอดูหนังเล่นไพ่ไม่เป็นนี่แสดงว่า เ, เป็นเรื่องของความเครียดทางใจของคำถามต่อไปจากคุณหนึ่งทำทานในศาสนา อธิษฐานว่าขอให้มีกําลังและความเพียรในการภาวนาให้ยิ่งในชาตินี้ครับถ้าไม่สําเร็จผลในชาติอื่นถัดๆไปจะยังมีผลอยู่หรือไม่ครับไม่มีผลหรอกการศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ขอให้สร้างขึ้นมาอยากมีความเพียรก็ต้องทําความเพียรอยากจะไปนิพพานก็ต้องภาวนาไม่ใช่ทําบุญไถ่บาปแล้วก็ขอไปนิพพานคนต่อเรื่องกัน ตีตั๋วไปโคราชแล้วขอไปเชียงใหม่ไปไม่ได้หรอกตีตัต๋วไปโคราชมันก็ต้องไปโคราชอยากจะไปเชียงใหม่ก็ต้องตีตั๋วไปเชียงใหม่ขอไม่ได้ตีตัต๋วแล้วก็เอาตั๋วโคราชไปขึ้นรถเชียงใหม่บ่าผมขอไปเชียงใหม่ให้คนเก็บตั๋วบอกพี่บาผิดครันแล้วล่ะไปไม่ได้หรอกนั้นศาสนาพุทธไม่เคยสอนให้ขอศาสนาพุทธสอนให้ทํำ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามลูกอยากทราบว่าชีวิตหลังความตายทําอย่างไรถึงจะไม่ทุกเจ้าค่ะก็ทําบุญเน่ทำบุญตั้งแต่ตอนนี้ไปรักษาศีลไปทําตามที่พระเจ้าสอนสามก็ให้ละการกระทําบาปทั้งปวงให้ทําบุญกุศลทั้งหลายถึงพอใช่ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วหลังตายนี้จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณจุธาทิพย์ช่วงนี้มีความไม่สบายใจหลายเรื่องทําให้นอนไม่หลับนั่งสมาธิก็ไม่สงบครับครบควนขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยครับหยุดคิดเลหยุดคิดก็จะหลับวิธีจะหยุดคิดก็ใช้อุบายของสมาธิของสติพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆคิดแล้วมันจะทําให้นอนไม่หลับแต่ถ้าคิดอยู่กับพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็หลับแล้วขณะที่ยังไม่หลับก็อย่าไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากมันยิ่งไม่หลับใหญ่พุทโธไปแล้วบอกหลับก็ได้เวยไม่หลับก็ได้แต่กูจะพุทโธของกูไปอย่างเดียวอย่าไปว่าพุทโธแล้วต้องหลับพอพุทโธสี่ห้าคำไม่หลับอ้าวทำไมมันยังไม่หลับมันเดี๋ยวมันก็กลับมาคิดอีกงั้นอย่าไปอยากให้มันหลับนะ หลับถ้ามันจะหลับก็หลับมันไม่หลับก็ช่างมันขอให้นอนพุโทโธไปก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณอ น, นันต์ทำไมบางครั้งที่หลับอยู่ต้องเผลอสวดมนต์ไปด้วยหลับไปด้วยครับก็เราเคยติดนิสัยนี้มาติดนิสัยสวดมนต์มาพอบางทีไม่มีสติมันก็มันก็ไปทำตามที่มันเคยติดนิสัย บางคนก็ร้องเพลงไหมยติดนิสัยร้องเพลงเดี๋ยวเผลออาบน้ำหน่อยร้องเพลงออกมานะนี่มันอยู่ที่ความเคยชินเคยคิดเคยทำอะไรมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ตอนที่เราไม่มีสติควบคุมใจคำถามต่อไปจากคุณพัชริยาเราสามารถต่ออายุให้กับปิดามารดาของเราได้ไหมเจ้าคะ ไม่รู้จะต่อยงไยก็ต้องหายใจนะบอกให้พ่อแม่หายใจหายใจอย่าหยุดหายใจวิธีตายิ่ก็คืออย่าหยุดหายใจคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าถึงนิพพานแล้วสามารถลงมาเกิดอีกได้ไหมครับไม่เกิดแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับความสามารถไม่สามารถเกี่ยวกับความไม่อยากมาเกิดเพราะมัน เบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนคนที่เลิกยาเสพติดแล้วจะกลับไปเสพยาไห ม, มเบื่อแล้วมันก็ไม่กลับไปแล้วแต่ถ้ายังไม่เบื่อมันก็ยังกลับไปได้อยู่คำถามต่อไปจากคุณซุม้มนิพพานศูนย์ไหมครับศูนย์อย่างอะไรนะคำว่านิพพานศูนย์คำว่าศูนย์แป่ว่าอะไร เมื่อไม่รู้ย้ายตอบยังไงคำถามต่อไปจากคุณพัชรีเราจะสามารถให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราหันมาทางธรรมให้มากขึ้นด้วยการนั่งสมาธิอุทิศบุญให้บ่อยๆได้ไหมเจ้าคะ่ะไม่ต้องอุอทิศหรอกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเห็นเราดีขึ้นก็อาจจะตามมาเอง ทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้านี่พอไปบวชแล้วหลังไม่นานคนก็ตามบวชนะแม่เลี้ยงก็ขอบวชลูกชายก็ขอบวชบวชญาติพี่น้องก็ขอบวชตามกันไปเองเมื่อเ็าเห็นผลดีเกิดขึ้นจากการกระทาของเราเขาก็อยากจะทำตามเรามันเป็นเหมือนแฟชั่นอย่างนี้พอเราใส่ชุดนี้คนอื่นก็เห็นเทสเดี๋ยวก็คนอื่นก็ใส่ตามกันไปหมดนะ ทำอะไรให้มันทำให้คนเห็นว่ามันดีนะนั่นเดี๋ยวเขาก็จะทำตามกันเองไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปขอร้องเขาคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามปฏิบัติมาจนเรื่องการมรคะทั้งรูปรสสัมผัสเหมือนว่าวางได้หมดทั้งกายใจแต่เวลาฝันทำไมยังมีเรื่องแบบนี้ บางครั้งไม่หมดจริงหรือในฝันเป็นสัญญาเก่าครับนัหละมันยังไม่หมดจริงอ่ะถ้าหมดจริงมันก็ไม่มาทั้งขณะที่หลับรืที่ตื่นแล้วยังมาขณะที่หลับก็แสดงว่ามันยังไม่หมดนะเราไปสรุปว่าหมดเองแต่ความจริงมันยังไม่หมดะวิธีที่ วิธีที่อยากจะรู้มันหมดไม่หมดก็ลองไปดูรูปเสียงกลิ่นรสที่มันกระตุ้นอารมณ์ดูสิดูแล้วมันดูเท่ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาหรือไม่ความอยากจะโผล่ขึ้นมาหรือไม่ถ้าโผล่ขึ้นมาก็แสดงว่ามันยังไม่หมดถ้าดูรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มันมากระตุ้นอารมณ์แล้วยังรู้สึกเฉยๆก็แสดงว่ามันหมดนะหมดแล้วแหละ